มันคือล่วงไปปล่อยโอกาสมีนาทีเทอาให้เสียไปอีก่เสียไปมันคือไม่ใช่ร่วงไปไงไเฉยๆอันนี้ฉันขานไว้เราล่วงไปลงไปใกล้ความตายเราไปใกล้ความตายกัน ไ, ไปเพราะทุกคนมีความตายดับรออยู่ข้างหน้ารือร่องทุกคนไปไหนกำลังวางแานเทียว่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 ลูกสอนมึงคงไม่ทนชี้มาตัวเราต้องอัตตานิยมลโทเพื่อที่จะทำใจู้มีความบริสุทธิ์หมดจบจากเกลียดตัณหาโดยสิ้นเชิงวันนี้สาขัดบูชารองเข้าสู่มหารปรินิพานด้วยพระจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวยกนั้นสมัยนั้น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 หกเป็นวันเข้าสู่มาหาปฏิพานดับขันเข้าสู่มาหาปฏิพาณด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิพานดับทั้งเกเรดับทั้งเบญจขันเราดับเกเรมาแล้วสิมณีย์เป็นเวลาทึงสี่สิบห้าพรรษา สีลวารรภาษาเป็นช่องรียบเวลาทุกโปร่โปร่ฟังพระพุจศาสนาตั้งอิสุขอิสุโยาสโอมาินกาทั่สังคมตวันินเดียชาวพุทธวิญญาณชุกนั้นในสมัยนั้นพอเข้าภาษาสุดท้ายออกภาษาสุดท้ายมนเปนเือส้น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 ชี้แจเขาคือความรู้สกควาาใจสามารถดรงตนเป็นปุถัแ่งน้โเราเลยป้องดุจเหมือนวิสุทธิ์าลทั้งทั้งที่คนยุคนั้นในอายุตรงร้อยพระเยซูอานอนุรุตอยุตรงร้อยยี่สปีพระมาสละสรรค์อายุร้อยสปีแต่ก็ออกมาอายุแค่8ปดสิบกวาพรรษาประกาศพระศาสนาสีส้พรรา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 เพราะอะรถ้า right. เราทำดีบางทำชั่วบัาความสุข ก, ก, ก็มีตามมาสุขบ้างทุกบ้าทุกบ้างสุขบ้างคนเก่งันนี้เพราะของเรามบอยู่บกอยู่พร้อมอยู่มีแต่ขัดขัดเขินเขินอยู่ ข, ขัดขัดวิงวิ่งอยู่แค่ตั้งใจะจะมาภาวนา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 แม้แต่สิสารวันผู้ชินาราเยถ้าไม่มีโทนารามเนี่ยโอ้ต้องได้รบราฆ่าแ่งกันแย่งแย่งพระทาตของพรกออาศัยว่ามหาปราชโทนารามนี่แหละสามารถใช้วตาราใช้โหหารให้กริย์กทั้งเจ็ดหัวมืองลยนยอมด้วย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 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็กษัตริยร์นู่นนะกษัตริย์เมืองสาวีนะกษัตริย์ราเกครึกกษัตริย์รเมืองสาวถีเป็นกษัตริย์ที่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญฉะนั้นจะสู้อะไรก็ได้ราะเอาชาตาาาาิาาาากษัตริย์โเนี่ยขอดยควาดิมใช้ศัทธากราบถวยเจ้าอาาชาติโตนี่ก็ค่อนมูชีวิตไวะระลึกตัวได้ แล้วองยังทรงไม่ชน อ, อยู่ก็ยังไม่ติดพันกับพระเทวทัพด้วยอย่างเป็นพระกู ม, มาพระเทวทัพ เ, เป็นลกลองจะเป็นลูกสงฆ์ไปขอเรื่องตอราเพื่อจะมาตอบคนนั้นกับพระพุทธเจ้าตนในที่สุดขอป่าในที่สุดขอบริสัทบริวารขอชาตสัตทูไปเป็นลูกสมน์ด้วยมลวบัวันมากมายแล้วแยกสง ก็มีกลุ่มสมุนลําเหล่านั้นเป็นรูกสงสามลาเป็นจำนวนมากนั่นแหละทั้งเดียวสังฆเพศสังฆเพศสังฆเพศพระเจ้าศัตรูนั่นแหละเป็นผู้กดหนพระเทวทัตตอนนั้นมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์มีชานอย่างหนึ่งสามารถแสดงฤทธิ์ได้พระเทวชันโลกรี แม้แต่ยังไม่ได้อริยธรรมขั้นไหนขั้นหนึ่งชางนเหล่านี้ก็สามารถสแสดงฤทธิ์ได้ต้องการพระพระอาจารย์ตรูไม่เป็นวิชาบริวัตที่จะต้องนำบทหนูมุขเดชแสดงฤทธิ์เข้าไปาสแสดงฤทธิ์เข้าไปเป็นพระกุมารมีงูพันมือพันตีพันหัวอะไรเข้าหา ญาติศัตจะสัตว์ทูเห็นโกรว์โกรไปโกรไปเลยสลายร่างสลายร่างนั้นให้เป็นญาตาศัตรูเพราะไม่ต้องรูรว่าข้าพระองค์เองมาเพื่อจะช่วยโกรมาช่วยอะไรครับมาช่วยอะไรเราเดี๋ยวเราบุญใหญ่เองแนก็ไปกลอกมาญาติศัตรูก็เรื่องใจศรัทธาและยังวันลห้าราสำรับเช่นเดียวกันค่พระพุทธเจ้าที่ปณาราม ก็สัจทั้งหลายก็เบียงตรงแหกแยกตัวขอปกครองสงระองก็ปกครองขอเป็นเจ้าสนักพรองก็ไม่ให้เป็ขอวัตถุห้าประการพระองค์ก็ไม่ให้เพรารเดียวถ้า เ, ททเป็นปูถินชนไปขอปกครองสงพระสงฆห่าั้นมีแต่อาหาทั้งนั้ น, น, าา น, นอ้หนาตาเนือเกินเทวทัต เราจะให้บรินึปกครองคนที่เหมาะสมกว่าเธอมีมากมว่าที่อย่างตระมาตระสป า, สาิษาริบุต ร, ระโมกอะไรนะเป็นผู้ที่คู่ควรที่จะปกครองพสงฆ์เหล่านี้และปกครองพสงฆ์เหล่านี้นได้อาศัยเธอไม่มีความสามารถที่จะปกครองพรสงฆ์เหล่านี้ได้พระเทวทัายังเป็นผู้บิชนอยู่ไหนสุโขเรียกไปขออวัตถุห้าอย่างปวดเข้งพวกเชีย เพืจ่จ ะ, ะไปเอาพระหัวอ่อนเหล่านั้นไปด้วยไหนจะไปแยกได้จริงๆเ น, นี่ยขอข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสีรั้วแต่เป็นข้อเพ่งหนึ่งคัดเท่านั้นเนี่ยท่านทั้งหลายอยาไกได้มรดกได้ผลลูกอวดอ ว, วดใส่หลงพุทธเจา้างไปกับเราใครเห็นด้วยกัเราไปกับเราแหแยกกันต่อหน้าห น, นึ่งไปตั้งสัมนักสัมนัสได้เลยจะขอป่าจากพระเจ้าศัตรู ยัดยุ่ยให้ปาเป็นไปเลยสมรภูมลายเป็ว่าแยกสงฆ์ทำสารประเภทนี่แหละพระเทวท่านทำสารประเภทสารประเภทระหว่างทำสงฆ์ให้แตกกันทำสงฆ์ให้แตกกันนี่แหะวัดอ้างมิเชลวัดอ่างก็จิก็จิแยกสองนั่นคือพระสารีบุตรพองมุคลานต า, ตามไปพระเทวท่านได้ฟังกลอม เรามตใจก้าเหล่านั้นพระเหลาได้อัดได้ทาพระพ้าีุองค์พนะถ้าเป็นอัครสาวกต้ซ้ายต้นขวาและเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตเป็นภูมิชนสอนไปสอนมาสอนมาไปเยงช่วยสอนแทนราด้วยไม่ได้พักเฉเฉยเหนพระพุทธเจ้าหพเจ้าท่านพักท่านไม่ได้หลับเนี่ยเจท่านพักพักหลับก็ครร อรกคลนสอนเหล่านั้นบรรลุธรรมหมดเหาะกลับมาฝ้าพระเจ้าหมดนานตื่นขึมมาา้ น, า ม, นามาเลยสารุสิโกกาลิโกกาลิไม่ดีองสองสามสี่องมา้งพอได้หา ม, มาตอนนั้นน่ะฤๅษีกบอกนี่และเราบอกแล้เราบอกแล้ ว, อ, ลวอย่าเชื่อภาษารย์พุ้ธมอกคลานพระรามมุกฤๅษีก็เข้ากับอาจารย์ไม่เกิ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 ทำไมอะไรอะไรไม่เคยชนะพระพุทเจ้าสักอย่า ง, างสเรื่องทำไมพระเจ้าท่านไม่ได้ตั้งใจจะแก่อะไรบารมีท่านแก้บารมีท่านปกป้องบารมีท่านทำหน้าที่แทนทั้งหมดถ้าอยู่เค่ไหนท่านไม่ได้มาตอบโต้อะไรบารมีท่านปกป้องคุ้มครองโปรได้หมนึกถึงยังไงเราแอานึกถึงยังไง อ็ไม่เคยมีความโวรธยังไม่เคยมีความโหดร้ายตอบโต้เราเิยแม้แต่ครั้งเดียวในท่สุดก็เลยบอปรองใจเออพาเจ้าขอกมาท่านเถิดกำลังผิดส้ำไม่ผิดลูกศิษย์ก็เลยพาเจ้าของมาคุยเจ้าจากนาจะขึ้นไปเชียด์ตะวันสาวัตถีหาบไปสาวัตถีมันใช่ใกล้ๆกันนะจาก่าจะขึ้นไปสาวัตถี ใคร เ, เคยไปยเรียนจะรู้จะเท่คือไปสาวกถิ่นชิ้นใกล้แลรานั่งรถเป็นวันหาพระเทวทันไปแล้วก็ไปเจ้าไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าทา่ญญานนนก็เลยทร า, า, าบดูมากสราบว่าพรับเทวทัตจะมาขอเข้ามาโรองมาเข้ามาถึงมราแบมาก็ไม่เห็นเรา มาลงกระายนานจนิจารยากมาถึงนูนแล้วปิจา์้ามาถึงนูนแล้วปิจารยามายังไงก็ไม่้พกราวมาัไก็ม่้ามาลกระะลกราวะรู้หมดรู้เหมือนดูตาเ ป, ปล่าๆแหละเห็นหมดมาพาไปถึงหน้าวัดเทตทวั น, นเหลือวประมาณสองสามเซนนั่นนั้นมีศักดิ์ไปวางลงพอหลังจากพระเทวทัยเจาสองไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านจบ ท, ท, ทํามาย เทวทัตจะต้องถูกแผ่นดินสู่ภายในเจ็ดวันจะต้องถูกแผ่นดินสู่จะต้องถูกแผ่นดินสู่ จ, กจนากนั้นแล้วก็มารู้สึกนะหามหามาม า, ม า, มาถึงหน้ า, ช า, า, น า, นาเชตวรรษทวารอยูเทวทัตก็เอาขาหย่อนลองไปถึงดินแผ่นนี้ก็แยก ด, ดูยุยุบยุบยุยุบยุบลงลงแผ่นดินเลนะ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 พระองค์ก็สรงแย้มอยู่ที่เทเวทวันเราทรงแย้มอยู่ที่เทวทวันโอ้พระเทวทัตเธอเกี่ยวข้องกับเราเธอขอ้าไใเสียราพระพุทธเจ้าทรงนำมอ น, นถึงอติตานสายานอาณนนาตานสายานเล่งรัวใน อ, อนณาตานสายาจากนี้ไปธ น, นกับท น, นกับธนันกับหลังจากเธอพ้นจากทเหลาแล้ว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 พระปฏิ็ะพระปฏิบรรลุพระอาหันต์ตัวเอไม่ได้ฟังจากไขรไม่สามารถจะตั้งศาสนาได้เพราะสร้างบารีแค่กึ่งเดียวเท่านั้นเนียเธอมาเกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เสียประโยชน์นะจากนี้ไปท่านั้กลับเท่าน้กั บ, กบเธอจะได้เป็นรูปเป็นพระปฏิเป็นพุนทธะเน่แต่ในระหว่างยแต่ก่อนนะนฮะแพระเจ้าพุทธเจ้ายัางทรและจนอยู่ ก็รวยจะจงได้พระนิพพานะตั้งแต่เกิดขีกกับขีการมาแล้วเนี่ยโอ้เป็นพระเอกกับโกงต่อสู้กันมาตลอดพระเทวทัศน์กับพระพุทธาณนั้เทวทัศน์อาคาตจองเวงข้างเดียวพุทธาณไม่ได้จองเวงแต่พระเทวทัศน์อิทธอาคาตจองเวงข้างเดียว้ย ว, าาเวเยวเห็น ท, ที่เป็นค้าขายด้วยกัน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 แต่ไม่มีอะไรเลยมีถาใบเดียวเขาจะมาแ้กเป็นเงินระดัอนไหนเทวทาอยู่นิ ย, นยุ่งนั่นะนะในสมัยนนะั้นเทวทัตรู้ได้ ท, นดทันทีนนโอ้ีหถาทองถาทองคำโอ้ยคุแม่เพราะถานนี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเลยอาไปคืนจ้เ <c oughs> อาไปคืนจ้าหวังว่าจะมาเอาง่ายๆ่มยหมังว่จะมาเอาที่หลังจะมาเอาง่ายง่ายน่าจะ เลยเดินทางเดินผ่านไปใช้ใจมันผูกไว้แล้วถาดทองคาจะมาไอาได้ได้ราทคาถูกๆนั้นะจะได้รือของได้เลยเพียวแค่เกียงนอนคือความโลภเกิดขึ้นในใจนเขาเรียกว่าโลภมากลากไปหายโลภมากลากหายเรื่อยไปพุทธเจ้าเดินตามนั้นมาตามคนตามมีของแยนะ่ๆเลยขอกระดับนี่กันยายนี่ก็ยังยังไม่อยู่ในหลานยังอยากได้อยู่ยังไม่ได้ขอกระดับโอ้แม่อยากได้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 คนคนคนโกกับคนตรงมันต่างกันใช่ไหมเราศึกษาีเราดูพฤติกรรมเราดูพฤติกรรมของคนดีกับคนไม่ดีเราศึกษ า, า, ก า, า, กาดูาดาาพฤติกรรมของคนไมดีเขาทนี้พฤติกรรมของคนดีเขาทำนี้เขาซื่อเขาตรงการซื่อการตรงเรามีผลเมืมมมมมม่อมีอันดีส่การคดการหมอนอันไม่โทษ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 ก็ได้พุทธยาก็ถ่ายเนื้อที่กราบก่อนเนะี่ยกราบก่อนเอี่วทักก็ได้ชองเขาเลยตามไปอีกพอจะเดาเนี่ยตามมาจะเดนะา เ, ดเกอนหน้าเกินยายนเนี่ยไปโอยเอาไปแล้วพุทธยจก็เอาไป่อนแ้วเพอได้นะ่ยท่านพิธกราบก่อนเนะี่ยท่านมาได้อยู่ตาพร้อมกันเนะี่ไปเลยข้ามน้ําข้ามน้ําไปแล้วข้ามเรือแล้วนนัะท่านนี้นนะ ไ, ไปโอ๊ ย, อยเสียใจจนกระอักเลือดจนหลอด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 เจ้าของแพ้ภัยเสี่เองแพ้ภัยสี่เองทำานวยกรรมไทําำอานวยกรรมพระเทาเนี่ยเป็นขอขอวัถูกห้ายอย่างปวดขอนไม่ใช่อะไรนะขอนี่ปวดปวดเคร่งเฉยๆนะไม่ใช่เจ้าของทำได้นะขอที่ผสมอู่ปาเป็นวัด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 ชั ờ, á, ้นม th ังสะกวระเป็นวัดไม่ฉันเนื้อฉันปลาพิสุรไล่ฝืนตั้งข้าข้อเหล่านี้ถือว่ามีโทษมีโทษมีโทษมีโทษทุกที่ที่เราทรงบอกว่าเราละไม่ไยทีทวทัตในจุดตั้งห้าข้อนี้ฉั้นฉันเนื้อฉันปลาเนี่ยฉันเนื้อชั้นปลามังสะเวรหมายว่าไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลา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 ธรมที่เราประกาศเราบอกเราสอนเกิดที่สุดเท่าไหรเรื่อนี้มีสมคุณบริบูรณแล้วไม่ใช่ศาสนาธรรมของเราบกพร่อมเพราะฉะนั้นที่เธอที่เธอเสนอมาเนี้ไม่จาเป็นเราเล่าไม่ได้คุณจำได้รับโอ้ย เ, ย, อ ย, ยเครียใหญ่เลยนี่นี่เป็นแยกสองในเรื่องมันเป็นพโพธิวัเราศึกษาใรืเราศึกษาเรื่ออยู่พฤติกรรมบางคนไม่ดีมีพฤติกรรมเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี เราไม่จะได้เจ็บเราจะได้นหลตอนาราจะได้เป็นคนชื่อจะได้เป็นคนกล่นี่เราก็าาถึงพระพิฆาตลงรถส่งพระชนมยุเที่ยวแท้ไปก่อนพระองค์สชรือุถุพโมลานั่นก่อไปก่อนพระองค์พระมหาสัลลาไปกไ่อนไหมฮะพรมหาอัลลาหไปสิหลังถามไไปก่อน แต่ราษาทิอยู่ทั้งหมดตอนนั้นนั้นนี่นิานนิทานก่อนแต่ยิ่าพระมรสับปะรดอายุร้อยยี่สิสบปีร้อยี่สิบปีจยันไม่เผา เมฆไตรมาจะได้ออกเขาเผาบนฝ่ามือมีทำนายเอาไว้ก็เคยมีกรรมต่อกันเคยมีกรรมต่อกันเนี่ยเราเราเราไม่ได้ที่ดูเราจํากที่เขาเล่ามาฟังเราไม่ได้มตาดูเราวม่้ีกันท่ไหเรื่องพระมันสับปะเรื่องพรเสียเนี้ยงเม่ไตรเผาศพพระมัาสับะพื้นฝ่า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 ถามไปแล้วบอกอะไรอะไรพระเจ้า ซ, ซ, ซื่อที่สุดอะไรพระเจ้าอะไรที่สุดความตายเที่ยงตรงที่สุดความตายเที่ยงตรงที่สุดอะไรก็เหงก็คว่าอะไรอินเดียรา้านเรานะปรเป็นอินเดียรเราไปเห็นเมื่อวานเรียงเป็นตับตับตบตับอยู่ที่หน้าร้าานรเขาขายหน้าก็ลองเขาเม่ไหรมีเม่อไหรมีลอเป็น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 เขียลงน้ำเขี่ยลงน้ำาน้นนลงไปน้ำคงคาไปดูที่มันปลาศีน่ะเผาสดแล้วเขี่ยลงน้ำเผาสดแล้วเขี่ยลงน้าตรงท่าตรงนั้นท่าอะไรนะท่าอสวรรค์มีท่ท่าตรนั้นพวกเราชอบไปดูตรงที่เผาสดตรงนั้นท่าอสวรรมีท่า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 มีบางมีพิธีมีอะไรมุชามีน้่งโคาตอนเช้าหนาวจะเป็นจะตายไ ป, ไปลงาอาเป็ดนดำถุกดำถุกดำถุกอยู่นั่นแเขียข่ยศกก็เขี่ยลงไปอาก็อาไปน้ำสกปรกสกปรก็ไหลลงไปไอ้อาพี่ยจนะกินดีขอพที่ยวกลับภูมิลำเนาเจ้าขออีก ไม่น้เยียมไม่แม่นองคาไหลาหลเอื่อยเอยเอยเอยแต่ปรากฏว่าคนไม่เป็นโรคเป็นหาจากการไปอานน้นที่มทมมมแม่น้ำที่แมน้ม่น้ำองคาไม่เป็นเราูตรนนั้นศาสนาพราก็เจอเขาเจอมากตรนั้นมันเป็นท่าต่างๆที่เขาจะทำพิธีอะไรจะมาเก็บอการ น, นี่ ล, กลกุกลามไปถึงกลาง พระเจ้าของเราก็รีผ่าแล้วออกไปแค่เจ็วันวิธี ท, ทำศพของ พ, พระองค์นั้นแบบพระอนุธถามถามพระองค์ไปพุทธยาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธออนุนันเป็นหน้าที่ของพวกสัตว์พวกพรามณ์พวกกรุงปีพวกอะไรที่มันจะจัดการศพของเราถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่าคนจะจัดการยังคนจะทำยังไง พระองค์พระเาตอบไปบอกเขานะพระเจ้าเลยไม่บอกให้ถ้ามีศฉลาถามเนจะจัดการกับพระศพพระองค์ศของพระองค์ยังไงบอกว่าให้เอาผ้าให้เอาสัมภีห้าร้อชั้นพันพันพันพันพันพันพัเพราะรายของโรงห้ยชั้นหรือ้าร้ยชิ้นเราไม่รู้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 โผมาเพื่อให้พระมหัศปเกิดการพิพรมานพอหลังจากพระมหัศปกราบฝากพระมารเสร็จไฟทิพย์ลุกคึ้น เ, เลยทลุกข์ก็เป็นไฟของเทวดาไอ้ที่จุดไม่ติดจุดไม่ติดเพราะเทวดาทําให้ติดเพราะนั้นนะเทวดาเารู้พระมหัศปายังไปไม่ถึงนี่นะตั้งนานหนึ่นงเรงงาก็จำใจนี้เลย <c oughs> ไม่ได้ดูนานแล้วลมหมดเลยตำนานการเผาพาะระศของพระเจ้าในที่สุดไฟทิพย์ก็ดิงเทวดาไฟเทวดาน็ดิ่งเไฟไม่ไม่เสียเหลืออะไรบ้างไหเหลือผ้าขาวผู้หนึ่งอะไรไม่ไม่เหลืออะไรองกหรือไม่จะต้องอธิษฐา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 พระเจ้าขยายไปทุกๆเมืองเอาชีสรา ย, ยดีให้ยิ่งบบใหญ่นขนาดไหนไหนสักอะไรก็ยิชอบยิ่งชอบตามน้เลยให้ธนราภิเแบ่งแบ่อาทิทานเมื่อก่อนนั้นเขาคงจะคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะแ บ, บ่งกันหรือไม่แ บ, บ่งกมจะจะิจะเอาจะเอาหรือจะสู้กันเอาได้หรืออ่ามีเป็นเหตุหนึ่งว่าถ้าพระเจ้าไปพริบานที่มออือใหญ่ มันก็จะเป็นเหตุหเกิดฆ่าสิศัสทด้วยเหตุที่เปเกิดไปไปปริภาที่เมืองเล็กเลยเป็นเหตหเว่า ต, ต้องยินยอแบ่ให้เขายินยออันนี้คือบติอันหนึ่งข้อนสาเหตุหไปามันงเ่็กไิภาที่เมือเล็กจากนั้นให้โทรราแพระธาตุเมื่ อ, อไรนะเมือนเรากับป่าหรือเมืองอะไรไปทีหลังไปทีหลัง ได้ทีเท่าจะม่ได้ทางานเราลืมงานนะืได้ทีเท่าได้ที่เท่าไปโทนพราหมณ์ได้พระเที่ยวของพระงมาแล้วมันเหน็ยไว้ที่มวยผมเหน่บไที่มวยผมก็หายหายใน่สุดเลยในทสุดเลยขอทนานก็เลยไปทำเกลียดรจุ เป็นตรงภพระเจดีตุงภพระเจดียนี่ตรนตนานที่พระเจานน้าปฏิบาตเกี่ยววั้เจ็บก่าเนี่ยเราเผาวันนี้วันนี้เป็นวันถวายพระเพลิถวายที่นครพันพธ์พระเจดีเมืองกุศลมาาราก็เป็นต้นตรนานที่เราใด้ฟังได้ศึกษาแลทั้งเราเกิด ส, สงบสงบนอนได้เราด้ถึงบุญถึงคุณของพระองค์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 ทามธรมติยานาเพราะมีสุภัททะสุภัททะชื่อสุภัททะเหมือนกันลูกสิษของพระมหาสัพตรอยู่ที่เมืองปาวานะเพราะรู้เอาพระทธเจ้าปรินิพานพิสุทธ์ทั้งหลายบางคนที่ยังเป็นพุทธชนอยู่ก็ร้องไห้ราำควนต อ, ตอนนี้จะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วอะไรแบบสุภัททะเพรธะงั้นา น, นเป็นคนบวชไปแก่ คนคณะสุภาทานนะมันไม่ใช่คนเดียวครัคนะสุภทานเรียกสุภาท า, ภ า, ทาวนวุิบัชิเป็นปนปวนในภายแก่ท่านหลาหลายจะรองขามวดนี่พระขคมทำไมสมัยท่านอยู่ท่ า, านก็นห้ามอย่างนั้นท่านห้ามนี้เรายากลำบ า, บากจนจะตายไปต่อไปนี้เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องฟังใครแล้วเราอยู่สะสบายแล้ว พ, พระมหา็สกัณฐ์ได้ยินเอพเจ้ารนิพพานสดร้อน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 เรียบเขามีรูเล่เลขึ้นไปขึ้นไปตามโศกเหวขอ้างบ น, น, นไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรหรอกคราวเมื่อก่นอนมันเป็นถ้ำใหญ่เดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วตรง น, นั้นแหะไอ้ตรงตะโพธานามตรง น, นั้นแหะเราขึ้นไปตรงนั้นเลยขึ้นไปโอ้ขึ้นสูงมากนะเงยแต่สองสามครั้งไปจะถึงเกือบใจไม่ไทั่วรองสูง น, นัง่นแหะจัตตาลถ้ำจตตาลนะคร แอเวเเลยขึ้นไปเลยจะถ่ายไอพวกวิ่งขอทางวิ่งสบายใจโอ้ยคนนี้ม <noise> ันเหน่อยไม่เป็นดมหรือไงไอเราไม่ไม่มีแรงแทบจะขึ้นยากนี่ยากพวิ่งขอทางอยู่วันนั้นนึ่งมันทจตจักรมันูะนอนน้ำใเศร้าโศขางคนก็นนเป็นพระสุาทรันยังามีความเสียใจ โปร่งที่เราไปเราก็ยังไม่มีพันทําอะไรมากน้องให้ข้าวควรอานนท์เธอจะจบเศร้าข้าวาควรไปนัน เ, น เ, เธอเลยเธอเป็นผู้ทําบารมีไว้มากจากนี้ไปสามเดือนเธอจะได้เป็นพระอาหารในสุดถึงวันครบสามเดือนพระม า, ường, มาสดาสปะจะทําสัญใคยมาถ้าอานนม่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารคือนั้นถ้าเกิอเดอานนท์ทำความเพียรท่านขือไม่ได้าหลับให้เรา ก็วันรูปงขึ้นเราจวันทำทั้งไ mm. ทยทันงนอทาความเพียก็คือเหลกหานั้งอยู่ทั้งเดิทั้งนั่ทั้งอะไร่าแต่จิตมนหมุน mm. อยู่อย่างนั้นหลยในสุดก็โอ้วันใกล้จะวางก็พักถ้านอนก็เลยไปเอนกายม่นจะพักแตานั่งก็ยังไม่ใช่เจ้านอนก็ยังไม่ใช่เจ้ายืนก็ยังไม่ใช่ากาลังาาจะปล่อยอารมณ์ที่ิตมัหมุอนอยู่กับธรรมะเรื่องสูง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 ที่จมันจะทำให้กิเนี่ยพ้นไมันผูกพนอยู่กับมากมากยังงานเราะถามาถ้าจิตได้นว่าราเนี่ยดำดินไปโกรตรงทําปลาข้าวปลาไปชุมอยู่สมวาเราทำอยู่นานเท่าไหร่นะ้ไีหอยู่กี่เดือนหเดือนเนี่ยนีเปนเอาที่สุภ ปลาจวงจับก็ทำางอย่างอย่างเงี้ยทำคั้งที่หนึ่งทสังเวยนาทำสังเยนาคือไปสารวจตรวจตราไปทบทวนไบอกคสอนขอพระพุทธเจ้าเพราะยุคนั้นไม่มีจําหวะทนาไม่มีนาน่ะมีแต่จําจำอหนึ่งได้ฟังธรรมะจากโอหนึ่งมาจต่อต่อไปบอต่อตอไยจำไปเรื่อยทำสังควยนายคือมาตรวจสอบมีความจามีความทรงจามีข้อปฏิบัติเหมือนกันไม่อะไรกันไหม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 พระมันกรเยไปเผยพร่ในถ้านั่นะแต่ว่าพระมับกพร่องไม่ได้ถามสิขาตรไหนที่ให้รถถอนสิขาตุ๊ก่าประาทุกข์กุศลหรือเปล่าอะไรกนไม่ได้ถามคณะสถืว่าพระมังมบกพร่องรอาตพระอนุพระมณปปราบระมาททั้งสมตา้งหมายข้อในการทาจางยานะนั้นะ พระนนท่านบอกว่าท่านไม่มีเจตนาท่านไม่ได้ผีข้ออะไรข้อหนึ่งแต่เราเห็นที่ท่านคาอรมในคณะสงฆ์ท่านยินดีเฉลยบาปข้อหนึ่งที่พ ร, บระบาตรุกกฎระนรคือพระนรินทร์ไปเย็บรรสังฆติพระพุทธเจ้าเขจะปักหรืออะไระไม่มีคนช่วยจัะท่านเอาเท้าข้างหนึ่งดีไปมือข้างหนึ่งจาะมือข้างหนึ่งเย็บนัสสงเลยปรับว่าพระนรินทร รวมเกินคนติดยาเราไม่มีจิเจตนาร่วมเกินแต่เ้ื่อวามเคารพในพระมหาเถร่าเรารนารนะี่ยเรามีดีแสดระบัดแม้แต่ที่คุณชัยเราสามารถจะจะถอนอาบัติอะไรบ้างจะลบทอนชีพขาดไปบ้างพระองค์ปกรอบไม่ได้ถามนา่าสมตคอปรับอาัติด้วยความเคารพในความท้าความเคารพมหาเถร่าพระองคยอมแสดร ะ, ะและอีกข้อหนึ่งคือ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 มืพ น, า, น, า, ปปนา่นั้นเลยร้องให้น้ตาไปเพื่อพระบรส์ของเจ้าพระมหาเถระเหล่านั้นเลยพรอาวัทรพร ะ, ระุกกุฎะพระอ น, นก็ด้วยความเคารพในพระเถระเรหล่านั้นกยอมเสดแน่พ <c oughs> <c oughs> ระอน์เป็นนาตามตัวที่ตาพเจ้าหนอกตามตัวเพราะฉะนั้นพอ ผู้ที่เป็นต้นเงาโลกไปแล้วเนี่ยไอเราที่ตามเงาเนี่ยก็ลังโต้องโทผู้มีอำนาจเหนือกว่ารุมเล่นงานรังควานเรา็นเรื่องธรราทั้งหลายเขามักจะเจ้าเราพูดมาเผล่ยวเที่ยเป็นลูกน้องของของคนมีอิทธิพลไหนเมื่อมีอิทธิพลเหานั้นก็ออกลับไปแล้วมักจะถูกเล่นงานตาม่างไามที่า้ามัน เป็นพระอรหันต์โง่ไป็นอถ้ำกลางพระพระอานนท์พระพระมหากระสปะเป็นเป็นคนถามพระอานนท์เป็นคนตอบทรกสูกสุก็สูน้ำพระนนะรเจ้าสเสด็จที่ไหนก็สูนนะ้นพระเจ้าสเส ถ้าเราเคนบอกพระสูตรท่าแสงที่นที่นั่นท่นันาอาีเป็นคนตอบเกี่ยวกับพระพิณายเป็นผู้วิสัชนาถ้ามาราสระเป็นคนปรุ่ฉาเป็นคนถามถ้าอานีเป็นคนตอบเกี่ยวกับพระพิณายถ้ามาราสระเป็นคนถามพระสูตรกับพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นคนตอบพระสูตรสูตรบทไหนบทไหนบทไหนพระนได้ห ูที่เจ้าไปแสดงต่อนนหาตาตามนักหลังตาตามรับไปแสดงรับหลังข้าลงที่ไหนก็ตามกลับมาต้องแสดงข้ามันฟังอีกเก้าเลยเพราะถ้ามันขอพอเอาไว้วมีเราพูดถึงผู้สมชัยนาผู้มชัยนาคารั้งแรกไปรอรองตางานะไว้มาชัยนาคารั้ที่หนึ่งไม่มีจาราเยนะมีแต่จำจำจอ่อท อ, อมาทาชัยนาคารั้งที่สองที่ วารุการามตรงไหนมาลูกเข้าไปแล้วเราไปแวะไปดูที่วารุการามทุกวันนี้มีมีปวดทา ม, มีปวดเราไปทุกที่น้มีเข้าครัวครอบครัวหนึ่งอยู่อะไรบุกเข้าไปดูเทวรูปโบราณนะเราไปครั้งนะแวะไปดูที่วารุการามราทั้งทีนะครัารา้งที่สามที่อโศการามอโศการามเราไว้ไปดูนะ เราไปอินเดียกลางนั àn, roster, ่นเองเพ็เปโตรดีอโศการามเมืออโศการามเดี่ยนี another another ้อยู่นี่อยู matters, ่ปัตนาปัตนาสมัยนั้นคือปาตรีบทปาตรีบทวัดโซการามมีครังทั้งยนาคที่สามขยานาคที่สี่ขยานาคที่ห้านั้นถึจะมีการจบจารึกเป็นลายลณ์อักษรทที่ไหนร่วมทที่ศีรษะหราที่ไหน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 ที่มัพันธนเกดีนั้จากเผาสมีการแบกงพระโรมสายพิพากของพระองเจ็ดหัวเมืองแปดหัวเมืองแล้วก็ไปทาเทณฑ์จุไว้ที่มืองไหนบ้างที่ไหนบ้างไปหาเลยหาตามาดูที่นี่เรา็มทํไม่ได้ต้อเทำานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเรา สวินเป็นสารินาสาินสรนะสาวิน ส, งนสังขารเป็นองค์สงขาร อ, ของขาราหล่านี้มันไม่ใช่อบรุทั์มันเป็นเรือนรา ข, ของท์มันเป็ น, เปนทเป็นที่อยู่เป็นครูหาก็ยินอยู่แต่ผูอยู่ต้องห า, าเรือนร่านี้มันสุดไปโั่งไปสิ้นไปเสื่มไปมสลาย ความพิเศษคือจิจตที่บริส evet. <aina> ุทนั่นแหละคือองคุธาแท้เราลองรู้องคุาเหล่านั้นไม่สูญไปไนเลยนะไม่สูญไปจากโลกองคุธาเหล่านี้มีอยู่จริงไม่สูญไปจากโลกแต่กเราเป็นผู้ที่ชนเราไม่เห็นพราะผูรู้กูไวสุดไม่เน้มาพากิริสุขแม้แต่ผู้มีที่ประจักสุขก็มองไม่เห็น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 ชาีหนึ่งที ter, ar, ่สองที Lake ่สามสี่อารมณ์ชานีหนึ่งท <FROM S 1> ี่สองที่สามอโลกนสัญญาเวทิ่งตรหนโลกเป็นวิหารธรรมเวลาพระจิตของเราประทับอยู่พระรู้ท่านมองเห็นตอนนี้ไปประทับอยู่ในสัญญาเวทิรี่โลเหมือนกับดับสิ่เหมือนกับตายอนี้จนมิสุดท่าถามวากรธนิพพานยังพระรู้ท่าบอก่ายังยังยังยังระทับอยู่ในสัญญาเวทิ่งตระห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 ผู้ใดอย่างเดียว่าผแบบู้สี่อภัยนี้ผ่านแล้วนี่เพรั้นก็จิตที่บริสุทนั้นไม่ไปไหนยังอยู่กับเราไม่เนี่ยเพรา ะ, ะการพูดเป็นปริศนาว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราต้องใช้ปฏิบัติจิตได้รับความสงบจิตเร้าสงกก็จะรับ ร, รูบราา้เรื่องทัใจโอ้ความสงบของจิตพุศลเจ้าเป็นนี่เป็นนี้เป็นความสงบเป็นนี้เป็ น, น เรามมีปัญญาทำลายกิเลสแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขันไปได้เราเห็นพระพุทธเจ้าทำลายใต้หมดเห็นพระพุทธเจ้าเต็มบกนั่นคือองคพุทธแท้คำอาพุทธคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้ถึงผู้หลุดพานพุทธะพอสุดก็จะทำเต็มไปหมดนี้ไปเลย ไปภาวนาต่อนะใครจะอยู่ทั้งคืนก็อยู่ได้ไปเนสัตชิตทั้งคื น, นก็กน ไ, ปนกกนไปได้บุชาพผู้ดีเจ้านะทนนี้เราไม่ต้องเวียนเทียนที่อื่นก็เวียนเทียนนะวันนี้